ไปโผล่ที่ไหนมันก็ทุกที่นั่นแหละกองทุกตัวกองทุกกองนี้ไปโผล่ที่ไหนทุกที่นั่ น, <c oughs> น, น, ม, น, น, นมีความสมบังบ้างมีความดีใจบ้างมีความพอใจบ้างปนเปนอยู่บ้างพอได้พอได้เป็นของแลกเปลี่ยนกัน มีทุกทุกทุกจนจนไม่อบันไม่ไหวทุกจ์เดีใจทุกพอใจทุกเสียใจมีรสหวานอยู่บ้างมีรสขมรสเปรี้ยวสารพัดแต่ผู้ที่รับแบบภาระ อันนี้ทั้งหมดคือผู้รู้แบบพระอันนี้ทั้งหมดสุก็รู้ทุกขกรู้แต่เราเน่ยมันไม่ใช่ศักดิ์สิทธรู้รสุขก็สุกจริงๆเพลดิดเพลินรื่นเริงไปทุกขก็ทุกจริงจริงทุกเหี่ยวแห้งระทมตรมตรอมใจทุกทุกเหี่ยวแห้งใจแล้วดูนะนั่งที่ไหนก็เหี่ยวหอนุน่งทุกระทมตรมตรอมใจ ผู้รู้ตัวนี้มันรับรู้สุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยมันเป็นผู้รู้ที่ยังโน้มเอียงกับสุขโน้มเอียงกับทุกข์เราไม่ได้ชะได้ล้างมันไม่เหมือนผู้รู้ของพระอริยเจ้าท่านช ะ, ะได้แล้วล้างได้แล้วอารมณ์เราเหล่านี้มันเป็นเหตุให้เกิดสุขเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ รับทราบรับทราบแล้วก็ผ่านไปรับทราบแล้วก็ผ่านไปมันไม่ซึมไม่ซึมซับซึมซับก็กไปในอารมณ์คุยใจใจมันไม่ทุกข์ด้วยรู้ว่ารู้ว่ากายทุกข์อยู่แต่ใจมันไม่ทุกข์ด้วยรู้ว่ากายสุขอยู่แต่ใจมันไม่สุขด้วยใจมีความสุขโดยเอ ก, กเทศของมันนี่วิธีการให้พุศลเจ้าทันคนคนควา้าคนพบไม่งั้นพวกเราจะจมอยู่นี้แหละ หัวโง่ตาบอดอยู่นี่แหละยินดีพอใจเลืินใจไม่รู้ไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายไม่รู้ช่องออกไม่รู้ที่หลกไม่รู้ที่หลิกไม่รู้ที่หนีไม่รู้ที่ปกป้องไม่รู้ที่บำบัดไปเกิดที่ไหนก็ความทุกข์ก็ไปเกิดที่นั่นไปโผล่ที่นั่นเกิดที่ไหนก็ดีใจที่นั่นเกิดที่ไหนก็ก้อนทุกข์ไปโผล่ที่นั่นกองทุกข์ไปโผล่ที่นั่น ตัวไปโผล่นั่นแหละคือกองทุกทุกทนไม่ได้ถูกทับถูกถมถูกชนถูกเหยียบทนอยู่ไม่ได้ถุกระยาพิศไปทำลายระบบระบบร่างกายทุกเพราะโรคมันไปตัดรอนนู่นนี่ร่างกายเกริญไปไม่ได้ทุกแต่ละอย่างแต่ละอย่าง เจอด้วยกันเท่า น, นั้นแหละเวลาเขาทุกข์เนี่ยเออเราก็พอทำเนาพอเวลาเจะของเจอเองโอ้เราเสียแล้วเราเสียแล้วเนี่ยทุกข์เลยท่านนี่ทุกทุกทุกทุกทุกเพราะเราไม่ได้ดูข้อเท็จจริงของมันคืออะไรเป็นไรเราไม่ได้ดู ใจมันก็นรับทันทีทุกทุกทุกทุกทุกต้องใช้กำหนดจอจดูจริงจริงเนี่ยมันเป็นขอ้อ keit, ป, นนปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติเป็นวิธีการเพืที่จะย้อนไปดูทุกมันละลายไปได้จริงๆมันดับไปได้จริงๆละลายที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่ยค่อยๆขยับขยายละลายไปเรื่อยละลายไปเรื่อยดูไปเรื่อยขยับไปเรื่อยจนทุกไม่ปัจจุบันไม่เกิด ทุกเกา่าพยายามย้อนไปดูมันทุกใหม่ไม่เกิดทุกเก่าพยายามย้อนไปดูมันโดยเหตุที่เราไม่ดูมันก็มัดอยู่นั่นแหละพันอยู่นั่นแหะทุกอยู่นั่นแหะทับถมอยู่นั่นแหละเหมือนกับมีกองอะไรกองอยู่อ hés. กองทุกเนาะกองทุกเนะกองทุกเนาะเราไม่ได้ไปรื้อดูพอไปรื้อดูโอ้อันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ก็เป็ น, นอันนี้อื โดยเหตุที่เราไม่รู้ดูมันเลยไม่รู้ชัดสุ่มดายึดเอาหมดสุ่มดาวยึดเอาหมดยึดหมดทั้งก้อนก่อนกายก้อนใจเนี่ยยึดเอาทั้งหม ด, ดทุกท่านที่ให้พิจารณาแย้แยะๆต่อวิธีการนั้นหนึ่งก็กลมกลาวให้จิตได้รับความสงบได้รับความสุขเป็นอาหารเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงไปในขณะเดียวกันในขณะนั้นตอนนั้นจะเป็นพลังไปพร้อมๆกัน กับการย้อนมาทำงานทําการทิ้งไม่ได้ถ้าเราทิ้งก็ยึดเอาทั้งหมดเลยเนะี่ยยึดเอาทั้งสุมทั้งก้อนเลยเนะี่ยไม่ได้ไปคลี่ดูไม่ได้ไปคลายดูว่าคืออะไรเป็นอะไรพอไปคลี่คลายดูแลก็ละลายหายไปหมดคลี่คลายดูละลายหายไปหมดตัวที่มันก่อทุกข์ขึ้นมามันไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่กิริยาอาการที่มันพลอขึ้นมา มันเป็นสมุทัยสัตว์ที่ไม่มีตัวตนความอยากในใจของเรามีตัวมีตนไหมไม่มีแสดงมาที่ใจเห็นแต่กิริยาอาการของมันแสดงมาที่กายเห็นมีแต่กิริยาอาการของมันมันไม่มีตัวมันไม่มีตนมีแต่กิริยาอาการกิริยาอาการเหล่านั้นก็มีเหตุเกิดเหตุตัวเหตุตัวนั้นมันเป็นผล ย้อนไปดูเหตุอีกตัวหนึ่งไปเจอเหตุอีกตัวหนึ่งตัวนั้นแหละเป็นผลย้อนไปดูเหตุอีกตัวหนึ่งย้อนไปดูเหตุอีกตัวหนึ่งย้อนไปย้อนไปย้อนไปจนหมดละลายหายหมดเป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติไม่งั้นเราไม่เข้าใจโมหะความหลงอวิชชาความมืดบอดความหลงไม่มีสติไม่มีปรรัญญาหลง ตาบอดหลงก็คือตาบอดมีตาอยู่ดูรู้ดูรูดูอยู่เห็นอยู่รู้ดูอยู่เห็นอยู่แต่ก็บอดไม่รู้ข้อเท็จจริงของมันมันอยู่ไปอีกชั้นหนึ่งมันอยู่ไปอีกชั้นไหนชั้นสัจจะข้างในเนี่ยอาศัยว่าผิวเผินเป็นกิริยาที่เราเคยกินมาตลอดกลับตลอดกันเราไม่เคยสนใจเราก็ติดค้างอยู่กันแค่นั้นแหละ พอไปพิจารณวิจัยใคร่ครวญจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแดูแดูคลี่คลายดูคลี่คลายดูบนเหยื่อท่านให้มาคลี่คลายที่กายของเราโอ้อันนี้เป็นดินอันนี้เป็นน้ําอันนี้เป็นลมเป็นไฟดินน้ําลมไฟที่ไหนจะไปเป็นเนื้อเป็นหนังเทั้งสวยทั้งงามทั้งด่างทั้งดําทั้งขาวทั้งผ่องทั้งอะไรอยู่เนี่ยเป็นเหตุให้ติดเป็นเหตุให้ผลักอยู่เนี่ยน่ก็เราติดติดตามคําสมมติที่เรายึดเราถือมาเป็นกับเป็นกันมันติด ไม่เคยมาจดจออยู่บ่อยๆให้มันเห็นของจริงเรื่องจริงของมันเราก็เลยไปหลงหลงแต่กับคําสมมุติหลงแต่กับสิ่งที่ลอกสมมุติกันมาแล้วก็หลงหลงหลงห ง, งทับถมกันอยู่นี่แหละไม่มีโอกาสที่จะแหวกว่ายเข้าไปรู้เข้าไปเห็นข้อแท็จริงเพราะฉะนั้นจิตที่สงบจึงเป็นจิตที่สามารถเจาะลึกเข้าไปได้จิตหยาบหยาบเจาะไปไม่ถึง <c oughs> จิตสงบละเอียดสุขุมใหคร้ครวนไตรตรองกรองจอบเราสังเกต ด, ดูกิริยาความสงบของจิตของเรานเวลาสงบเราก็ยาไม่ย่อนไปดูตรงไหนตรงไหนมันละเอียดมันซึ่งไปของมันแต่ถ้าเอาจิตส่วนอื่นที่มันไม่มีความสงบเลยมันจะไปเจาะเห็นอะไรสอดส่องเห็นอะไรเห็นปั๊บมันก็จับปั๊บโอดีมันก็จับปับ๊บ ว่าไม่ดีมันจับพับมันไม่ได้แวกเข้าไปอีกว่าอะไรว่าดีว่าไม่ดีมันไม่ได้แวก cherish, แวเข้าไปอีกะแวกเข้าไปอีกแหวกเข้าไปอีกแหวกเข้าไปอีกแวกเข้าไปอีกให้เห็นเหตุเห็นเหตุเห็นเหตุของเหตุที่แท้จริงจนหมดไปเลยไม่มีเหตุม <sprayed protests> <c oughs> <c oughs> ันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นกิริยาที่หลอกเข้ามาที่จิตที่ผู้รู้ของเรา เรานึกคิดอยู่ในใจไข้ครวนคำนึงคำนวณแค่นี้เราก็เราก็พอเป็นเครื่องอยู่พอมีเครื่องอยู่พอเป็นเครื่องไปละลายทุกที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งทุกมันเกิดไม่งั้นทุกสูงอยู่นั่นแหละคืออะไ ร, ะไรก็ไม่รู้แหละไม่รู้จะไปจับเอาตรงไหนแหละไปเอาตอนนั้นไม่ได้ต้องฝึกต้องฝืนฝึกไปเรื่อยให้พร้อม <c oughs> ยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติชาครังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมววสมิชตะุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามานิโจติระโสยะตาง เจอวิวัชรนตสัพรอโควินาสตุมาเตภาวาจวันตรายน์เตขายุกรมภาวะอภิวาทานสิลิสานิจังโวทาปัจญโย ตาโรธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังอาลังพุตธาภกาปตพภัจจาวีตินาอ a ัสสุเมอะทุกขันญาบลีกตา โอปัติตาสิลวันโตสัญญาตาพระมจารีโนยาตาทางโภคมิดเยยาอภานิโตธรรมาวังโซเมอทโทอนุปัตโตกาตังอนุตางพยังเตตังอนุสรังมัจโยอริยธรรมเฑตโตนโร เอเทวานังปะสังสันติเปจาสะเกปโมดเตเตมภาวะตุสาบังกาลังรคันโตสาปเดวตังสมาบุต a านุภาเวนัสดาโสทีภวันตุเตภาวะตุสาบังกาลังราคันโ a สาปเดวตั เวนาสดาโสทิภวันโตเตหาวาตุชาบังกลาลังราคันโตชาปเดวตาสัมบาสังคานุภาเวนาสดาโสทิเอมภวันโุเตมอ๋อเดี๋ยวเนะนำไม่ออกก่อนนี่เนี่ยเนี่ย กองที่หนึง่งที่สองที่สีนู่นกองที่สน่ยมหาไมตรีนะปุญญามลยนะมหาไมตรีปุญญามารินโทปรเรียนเนาคหลวงอายุ20ปีจบปรเรียนเบวชนาคหลวงบวชมาแล้วได้13พันษาจบปรเรียนเก้า20ปี แล้วก็อยู่มาอีกได้สิบสามพรรษาเนี่ยเพื่อนกาลังจะกลับไปนี่ไปเรียนด็อกเตอร์ได้ปริญญาโทแล้วไปเรียนล็อกเตอร์นี่มาพักภาวนากับเราครึ่งเดือนวันนี้เพื่นจะกลับแล้วเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์สีบ้านโนนทงอินบ้านเพื่อนก็นอยู่แถวนั้นแหละในวันนี้ก็จะไปนี่ก็จะมาจะไปเยี่ยมบ้านแป๊บเดียวอมารู้ไปชั้นแทนที่บ้านยมเพิ่นรีไรกับมาลุยแหละตอนเรียงง น, น, นจะกลับมาขึ้นเครื่องกลับ อยู่วัดราชบพิธกับสมเด็จพระมหาหมุนีวงเนี่ยเนี่ยอายุแค่สามสิบสามปีเนี่ยปรษาสิบสามเพื่อนเป็นผู้คงแกเรียนปริญญาด็อกเตอร์อีกสามสี่ปีก็จบแล้วจบแล้วก็มาภาวนาเนี่ยไม่ต้องไปเสาะหาอะไรในโลกนี่มีแต่ของวุ่นวายยุ่งยากเมื่อวานก็พาไปเที่ยวถ้ำไี่มาเจียเมื่วาไปดูถ้ำเพื่อวันดีคืนดีเพื่อนอยากไปภาวนาไปอะไร ไปวัดท่านสวยแล้วกลับมาถึงนี่ก็มืดเหมือนกันเนี่ยวันนี้วันนี้เพิ่นลาอยาิยอพี่น้องทุกคนแหละกลับแล้ววันนี้าลาแทนหลวงพ่อลาแทนครับรับทานนี่เตี้ยนนี่เอาสลินนาศี น, นาก็กลับเที่ยวบินเที่ยวเดียวกันนี่ไปง่ายนี่นี่น <c oughs>